ถ้ามีความสามารถจำแนกแต่ละอย่างเลยนะพระคุณแต่ละอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะเช่นอรหันตะคุณหรือว่าวิ ช, ชาจรณะหรือว่าคามาศีลเป็นต้นเนี่ยนะทำความเข้าใจกับทุกคํานั้นได้กว้างขวางเท่าไหร่ก็จะทราบซึ้งคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเหมือนกับเราลืมตามมองดูอากาศเนี่ยนะที่จริงอากาศมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ตาเราเห็นหรอกยังไปอีกไกลไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอากาศไม่มีที่สิ้นสุด นนการพิจารณาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกั น, น, น, นบางทีสติปัญญาเราน้อยเราก็สามารถเจริญได้น้อยนะอย่างทิศ ท, ที่เรามองไปในทางทิ่ตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ก็เหมือนกันไอ้ที่เรามองเห็นจริงๆมีไม่กี่เม็ดหรอกไม่กี่สิบเม็ดไม่กี่ถ้าที่กว้างๆโลง่งๆหน่อยก็จะมองได้เป็นกิโลเท่านั้นเองแต่ต้องไอ้ที่เป็นกิโลไปแล้วต้องเป็นสิ่งใหญ่ๆจริงๆ แต่ว่าสิ่งทั้งหลายในทิพย์นั้นๆไม่ใช่มีอยู่เท่านั้นเพราะว่ายังมีอะไรอีกยังกว้างขวางพิสดารเยอะแยะไปหมดเลยคุณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่เราจะไปมองให้สิ้นสุดนี่คงยากแต่ที่นี้ว่าเราคงไม่คิดจะเทียบพระองค์มีคุณเท่าไหร่เราจะคิดให้ได้เท่านั้นเลยอันน้นถ้าจะคิดได้เท่านั้นต้องรอเป็นพระพุทธเจ้าก่อนอันเราจะคิดได้เท่ากันพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนรู้ขนาดไหนเราก็จะรู้เท่ากัน ต่อเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันก่อนแต่ถ้าโดยลำพังทั่วๆไปเราต้องไม่คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะไปคิดคุณของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงไม่ควรคิดลักษณะนั้นควรคิดลักษณะว่าพระองค์นี้เป็นเป็นบุคคลเอกที่เราควรระลึกถึงเนี่ยนะจะระลึกถึงได้มากได้น้อยก็ตามสติตามกําลังของเราแต่ในขณะเดียวกันก็ควรตั้งจิตระลึกให้สุดความสามารถ พ่อรายเพราะว่าเราละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่นะนั่นแหละเราเข้าถึงพระศาสนาได้เท่านั้นแหละพระพุทธศาสนาเรามั่นคงขนาดไหนก็สังเกตจากการละลึกนึกถึงคุณของพระองค์ดูถ้าละลึกนึกถึงคุณของพระองค์ได้น้อยเต็มทีแสดงว่าพระพุทธศาสนาเราเข้าถึงน้อยมากเนี่ยนะถ้าละลึกถึงพระธรรมคําสอนได้น้อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ขอบคุณของพระองค์น้อยเท่านั้นนี่ย เพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณนั้นเป็นการยังลงสู่าศาสนาแม้กระทั่งผู้ที่เจริญวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะถ้าเข้าเจริญวิปัสนาอย่างถูกต้องตามคําสอนคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ข้อหนึ่งใช่ไหมพระองค์นี้มีวิปัสนาญาณคือมีวิปัสนาญาณในวิชาและจรณน ะ, ะวิชาข้อแรกคือวิปัสนาญาณเพราะฉะนั้นคนที่เจริญวิปัสนาอย่างถูกต้องก็เอาเรื่องวิปัสนา มาร ล, ลึกในพุทธคุณอยู่บทหนึ่งได้นะพระองค์เป็นผู้มีวิ ช, ชาเพราะฉะนั้นถ้าสนใจหลักธรรมหมวดใดก็ช่างเถอะอย่างไรเสียก็ไม่พ้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ<อ>้าลองหยิบธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นคําสอนมาดูสิว่ามีส่วนไหนบ้างที่พ้นในจากคุณของพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นธรรมมสามีเนี่ยนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมเพราะฉะนั้นถ้าธรรมที่เรารับได้มาเท่าไหรในพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าของอย่างเช่นเรามีความเข้าใจสติปัฏฐานเท่าไรเราก็จะทราบซึ้งคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของสติปัฏฐานเหมือนกันนะอย่างเราเจริญโพธิปัจจะธรรมได้เท่าไรเราก็มีความสา ม, มารถรู้คุณของพระองค์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้มีอยู่เท่านั้นเนี่ยนะพระองค์มีกว้างขวางกว่านั้นเยอะเนี่ยนะ มันก็ผู้ที่มั่นละลึกได้บ่อยๆอย่างเงี้ยนะมีปิติที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะปิติอันนี้หาค่าไม่ได้เหมือนกันแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หาคุณไม่ได้ผู้ที่สามารถละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้หาคุณไม่ได้บุญก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะไปคํานวณ ว, ว่าผลแห่งกุศลเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจะมีขนาดไหนคํานวณไม่ถูกเนื่องจากบุคคลผู้ละลึกถึงเนี่ย มีคุณมหาศาลยังก็ถ้าพูดถึงทั่วๆไปนะถ้าทิตฎีลอตเตอรี่ก็ถ้าใช้ทุนเท่ากันเนี่ย2รอบาทเงี้ยนะซอเลขท้ายสองตัวมันก็ถ้าถูกนะพูดไอที่ถูกเลยมันก็ได้หน่อยหนึ่งใช่ไหมถ้าตัวเลขเพิ่มไปจำนวนนั้นเน่นะจนถึงซื้อได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะใช้ทุนเท่ากันแต่ผลแตกต่างกันฉันใดก็ดีการที่เราระลึกถึงใครก็ได้ในโลกเนี่ยนะ ถ้าระลึกถึงบุคคลที่มีคุณธรรมนึกถึงป่าปามิตรเราก็จะมีส่วนแห่งเหมือนกับป่าปามิตรนั้นๆด้วยทีนี้ถ้าเราไประลึกถึงคนมีคุณเท่านี้สมมติว่ามีคุณน้อยอะนนคือมีคุณระดับศีลห้าหรือมีคุณระดับศีลแปดมีคุณระดับศีลสิบมีคุณเรียกว่าปฏิบัติในจาตุปาริสุทธีศีลหรือมีคุณแม้กระทั่งสมถะวิปัสนาหรือมีคุณระดับมัช นนะมักก็ตั้งแต่โสดาปฏิมักหรือไปผู้ที่ได้ระดับสกะทาคามีอนาคามีหรือระดับอรหันตคุณทั่วไปเนี่ยนะนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลเพราะว่าผู้ที่ระลึกถึงปุตชชนทั่วๆวไปเนี่ยนะคนมีกิเลสสักพันคนอย่างไรเสียสู้ระลึกถึงพระโสดาบันคนเดียวไม่ได้เดีย น, นะระลึกถึงคุณของผู้ที่ได้โสดาปฏิมักคนเดียวเนี่ยมีได้บุญมหาศาลกว่า เพราะอย่างไรเสียคนมีกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่สงเนี่ยนะไม่ใช่สงในที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาสามีจิปฏิปันโนที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตามละลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าะนะจึงมีผลภัยบุญมากกว่าทีนี้ถ้าพระโสดาบันร้อยองค์เนี่ยนะก็ละลึกถึงพระสกะทาคามีองค์เดียวเนี่ยนะมีผลมากกว่าอีก ทีนี้ถ้าราลึกถึงพระสะกะทาคามีสักร้อยองค์ก็มีผลน้อยกว่าเราลึกถึงพระอนาคามีองค์เดียวเราลึกถึงพระอนาคามีร้อยองค์ก็ไม่เท่ากับพระอรหันต์องค์เดียวทีนี้เราลึกถึงคุณของพระอรหันต์ทั่วๆไปเป็นพันองค์ ก, ก็สู้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ ระลึกถึงพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเป็นพันองค์เลยนะก็สู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นห่างกันขนาดไหนผลของเจตนาเหล่านั้นก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนนั้ถ้าหากว่าเราหมั่นตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งกุศลเจตนาให้ดีเนี่ยนะตั้งอุปนิสัยเอาไว้ให้ชอบรมผู้ที่จะไม่พ้นจากทุกมาเชื่อว่าไม่มีร ขอให้มีจิตใจเนี่ยเชื่อต่อพระองค์จริงๆอ่ะนะผู้ที่ไม่พ้นจากทุกข์ไม่มีถามว่าทำไมเพราะพระองค์เนี่ยปฏิญาณเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนึกถึงคนที่เขาช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ได้แล้วไม่พ้นทุกข์นี่แสดงว่าแหมทั้งสายไปผิดพลาดบางอย่างมามั้งอ่านะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่น่าเป็นห่วงอ่านะพระเทวทัศน์เนี่ยถ้าพูดถึงคนทําชั่วนะ หายากนะคนจะมีโอกาสทําชั่วได้เท่าพระเท ว, วทัตเว้นพวกมิจฉาทิฐินะแต่ถ้ามรดากรรมทั่วทั่ธรรมดาทั่วทไปไม่มีใครมีโอกาสทําชั่วได้เท่านั้นหรอกพระเท ว, วทัตเนี่ยทําชั่วเรียกว่าข่าพ่อข้าแม่เนี่ยนะมีโทษน้อยกว่าข่าพระอรหันต์นะฆ่าพระอรหันต์เนี่ยมีโทษน้อยกว่าทําโลหิตพระผู้มีพระภาคให้ห่ออ่นะฆ่ า, าทําโลหิตพระผู้มีพระภาคให้หอก็มีโทษน้อยกว่าทําสังฆเภท พระเทวทัตเนี่ยนะสังกเภทก็ทําโลหิตพระพุทธเจ้าก็ทําให้ห่อแต่ว่าเรียกว่าเฮือกสุดท้ายของชีวิตนะเอากระดูกที่เหลือเอาชีวิตที่เหลือเป็นพุทธบูชาพระ อ, องค์ยังพยากรณ์เลอีกแสนกับจะเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าะนะเพราะฉะนั้นของเราก็อย่าประมาทนะนะถ้ามีศรัทธาไปที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงเนี่ยนะ มีจิตใจมั่นคงทราบซึ่งในคุณของพระ อ, องค์จริงเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้จริงนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้แสดงพระธรรมคําสอนเพื่อให้เราพ้นจากทุกข์อยู่แล้วพระอริยส า, าวกสมัยก่อนนี่นะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะชื่นชมคําสอนในลักษณะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเป็นนิยานิกรธรรมเป็นธรรมะที่ทําให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้จริงหนอบหงงอนกัน อนนะพอที่ปัจขยธรรมทั้งหลายช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ได้จริงคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พระละโพชงอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์แช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์ได้จริงถ้าบุคคลปฏิบัติตามธรรมะนั้นได้แต่ทีนี้ถ้าผู้ที่ยังปฏิบัติตามไม่ได้ขนาดนั้นละ่ะก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นสารณ ะ, ะนะเทิดทูลยกย่องบูชาสิ่งนี้ถึงเรายังปฏิบัติไม่ได้แต่ก็บูชาได้แต่หวังใจอยู่ว่าสักวันหนึ่งใช่ไหม คงเป็นเราบ้างอะอย่างผู้การว่านะสักวันหนึ่งนะบางกั้นแต่แต่ว่าแสดงถ้ามีเจตนาแล้วนะ เ, เมื่อวานก่อนเนี่ยดูถึงว่าถ้าพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลแบบปเจกับพุทธเจ้านั้นน่ะสองอสงไขยเศษแสนกลับถ้าจะเป็นแบบพระอัคารส า, าวกคือพระสารีบุตรเนี่ยนะกับพระมหามโมคคลานะก็ต้องหนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าจะเป็นมหาสาวกเนี่ยนะจะเป็นแบบพระอนนท์พระอนุรุทธะพระมหากัสสปะเป็นต้นนี้แสนกลับแต่ถ้าไม่อย่างอื่นเลยนะตำแหน่งอะไรไม่เอาสักอย่างยังไงอริยสัพ ย, ย่างเรียวว่างั้นเถอะนะทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทา น, น, นะนะไม่นึกถึงใครสักคนเนี่ยนะใครกับมาสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตอนเนี่ยเราถ้าไม่รีงปฏิบัตินี่ไม่พ้นทุกแนะ่ว่างั้น อ่ะ น, นะใครก็เรื่องของใครอะ่ะไม่คือช่วยเขาไม่ไหว่า ง, งั้นมีแรงน้อยมีแรงน้อยจะเอาแต่ตัวเองให้รอดเนี่ยนะถ้าทากุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะสามารถตรัสรู้ได้แล้วท่านไม่ได้บอกว่าควรจะเท่าไหร่เนี่ยนะไม่ได้บอกเลยว่าต้องนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสุดแท้แต่ว่าตรงนี้ว่ามีความเพียรในคำสอนเท่าไหร่เท่านั้นเอง คือถ้ามีความเพียรในคําสอนมากมีศรัทธรรมามากอินทรี่ห้าบริบูรณ์ถ้าบุญเก่าทําตั้งความปรารถนาไว้แล้วอย่างไรเสียเขาก็พ้นทุก์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพ้นทุกได้แน่ขอให้มีมีใจไปเถอะว่างัน้ขนขณะพระองค์ยังบอกว่าทำรรมาพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วเนี่ยนะจงเนี่ยโสดลงเธอมีศรัทธาเธอแล้วไปปฏิบัติตามนะไม่นานสักเท่าไหร่เธอก็จะตรัสรู้ได้ไม่นานว่างนั้นแต่ทีนี้ว่า ถ้าเทียบกับวัตตะแล้วนะถ้าอยู่อีกสักสองสามกับเนี่นานไหมไม่นานแต่ถ้าเทียบกับนึกถึงญาติพระเจ้าพิมพิสารตกนรกเป็นไกลหลายสิบกับเนี่ยนะเก้าสิบกว่ากับเนี่ยเนี่ยถามมานานไหมล่ะนะไปทำบาปบางอย่างเนี่ยตกนรกเป็นหลายหลากับเลยนะจากนรกสู่นรกจากนรกสู่นรกไปเรื่อยนี่แหละาก็ยังอยู่กันได้เลยนะแล้วอยู่ที่นรกทําบุญอะไรหรือเปล่าก็ <S <S ไม่ได้ทําอะไรหรู้ แต่เชื่อไหมว่าญาติพระพเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะแต่ก่อนที่จะมาตกนรกก็เคยทําก็เคยทําบุญไอ้ที่บุญก็ทำมาแล้วบาปก็ทําแต่ว่าหลังจากที่พ้นจากนรกแล้วนะฟังธรรมแล้วได้ตรัสรู้ธรรมด้วยตอนหลังก็ฟังธรรมแล้วก็ตรัสรู้ธรรมมาเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งจิตเอาไว้ให้ดีๆเนี่ น, นะอัตตาสัมมาปณิที่นี่เป็นมงคลอยู่แล้ววงั้นตั้งเล้เถอะแต่ถ้าไม่ตั้งอันนี้ก็ พระกรช่วยไม่ได้เรื่องของใครนไอ่าทีนี้อรหันตตะคุณของพระผู้มีประภาค <c oughs> ตามนยะดีการนะในหน้าสิบเจ็ดนะอานะเอาเอาโสดาบันก่อนก็ได้จะเพิ่งอรหันต์นี่ <c oughs> ถ, ถ้าโสดาบันก่อนนะปิดอบายก่อนอย่างอื่นไม่ว่าจริง <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะโอเจ็ดชาติ นิยโตวังันสัมโพธิปรายะโนวั้นแน่นอนนังันเที่ยงที่จะตรัสรู้ในภายภาคหน้าเนี่ยนะมันก็เอาเกษาเกสาส ม, มุทยเกษามิโรดไปคิดเยอะๆหน่อยนะเพื่อมจะกใกล้ๆหน่อยว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ใกล้ต่อผู้รู้แจ้งทั้งหลายเนี่ยนะข้อหนึ่งก็บอกว่าไกลต่อคนพานทั้งหลายใช่ไหม ไกลต่อผู้ที่ไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะไกลต่อผู้มีปัญญาสามทั้งหลายทีนี้พอในข้อที่สองก็คือเป็นผู้ใกล้ต่อผู้รู้แจ้งทั้งหลายเนี่ยนะอันนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระอรหันต์เพราะอธิวาว่าเป็นผู้อยู่ใกล้อธิบายว่าเพราะความที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ถามว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์เพราะภาวะที่ทรงอยู่ในที่ใกล้ใครเล่าพระพุทธเจ้าใกล้ใคร ว่าพระองค์นี้อยู่ใกล้ชนผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและก็อบรมปัญญานั่นแหละผู้ที่มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาพระองค์นี้อยู่ใกล้ต่อชนทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าเอกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาหรือปัญญาภาวนาเนี่ยเจริญอย่างไรอันนัถามว่าเจริญอย่างไร ก็คือการเจริญโพธิปักษยธรรมนั่นแหละการเจริญโพธิปักษยธรรมธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าอบรมได้ตามนี้แหละเรียกว่าผู้ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเพราะว่าผู้ที่อบรมหรือฝึกฝนจนสําเร็จแล้วก็คือพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์นี่คือผู้ที่เจริญโพธิปักษยธรรมได้อย่างเพียรพร้อมได้อย่างเต็มเปีเป่ยมได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยนะ ทนี้ก็ลดลบลงมาเลยดังนั้นบุคคลผู้เจริญศรัท ธ, ธาอยู่เจริญศรัท ธ, ธาอยู่เนี่ยศรัท ธ, ธาอยู่ในโพธิปัจจะธรรมไหมอ ย, อยู่นะศรัท ธ, ธานี้เป็นอะไรเป็นศรัทธาพระเป็นสัต ธ, ธ, ธ, ธินรีนถ้ารักษาศีลอยู่ล่ะเจริญกุศลศีลอยู่นะอยู่ในประเภทไหนอยู่โพธิปัจจะธรรมประเภทสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะในสายมรรคเนี่ยนะ ถ้าอบรมสติอยู่สติเป็นสติประธานเนี่ยนะเป็นสติประธานก่อนนะเป็นสตินสีเป็นสติพระละเป็นสติสัมโพธชองเป็นสัมมาสติในองค์มรรคทีนี้ <c oughs> ถ้าเจริญวิริยะอยู่นะภาคเพียรพยายามเพื่อกำจัดบาปละอกุศลภาคเพียรเพื่อเจริญกุศลพวกนี้ก็เท่ากับเจริญสัมมาประธานสี่เจริญ วิริยินทรียเจริญวิริยพระพละเจริญวิริยะสามโพชงเจริญสัมมาวายามะเนี่ยนะฮะเข้ากับเจริญองค์มรรคเหล่านี้ถ้าจเจริญสมาธิอยู่ล่ะนะถ้าจเจริญสมถะนะสมถะตามคําสอนเนี่ยนะถ้าจเจริญอย่างถูกต้องเลยก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการจเจริญอะไรสมาธินทรียสมาธิพละเนี่ยนะสมาธิสามโพชงแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยนะถ้าจเจริญอ่าเป็น อิธิบัตนี้ไม่ไม่มีสมาคำว่าสมาธิชันทวิยะจิตตะและวิมังสาจิตนี่เป็นเป็นตัวจิตเลยเนี่ยนองธรรมได้แก่จิตเลยทีนี้ถ้ายังอื่นนะ่ะถ้าปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญิีสีปัญญาภะละธรรมวิจายสามโพชงแล้วก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมันขอให้เจริญธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าเป็นไปทางกายทวาร หมายถึงว่าที่เป็นทางปัญจทวารวิถีเรียกว่าอบรมกายนะแต่ถ้าล่วงมาทางกายทางวาจาอันนี้ก็เรียกว่าอบรมศีลนะถ้าอยู่ในจิตก็เป็นการอบรมจิตนะนะปัญญาที่เจริญเกิดขึ้นก็เป็นการอบรมปัญญาผู้ที่อบรมคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าพระองค์อยู่ใกล้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นพูดอีกในหนึ่งก็ใครปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์พระองค์ก็อยู่ใกล้บุคคลนั้นนั่นแหละ ถามว่าทำไมเพราะว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยนะเป็นศาสดาของเราทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระองค์อยู่พระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เราเนี่ยนะทีนี้ถ้าเทียบเปรียบเทียบอย่างนี้ทาราคาเกิดเมื่อไรเออพระพุทธเจ้านี่ห่างก็ไปแล้วนะโทสะเกิดเมื่อไร่ก็ห่างพระพุทธเจ้าแล้วนะโมหะเกิดก็ห่างพระพุทธเจ้าบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเกิดก็ห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนที่กุศลธรรมเกิดบ่อยก็เชื่อว่าใกล้ต่อพระองค์อันหนึ่งความที่พระองค์นิรงอยู่ใกล้ชนผู้ละราคะละโทสะและละโมหะได้คนที่ละโทสะได้อย่างเด็ดขาดคือใคราคาพระนาคามีละโทสะได้เด็ดขาดราคะกับโมหะผู้ที่ละได้เด็ดขาดคือพระอรหรันต์เนี่ยนะพระอรหันต์ละราคะกับโมหะได้โดยเด็ดขาด สรุปแล้วร้ารยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้ต่อพระองค์หรือผู้ใดที่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้า น, นะได้รับคําแนะนําในธรรมะของพระอริยเจ้าเห็นธรรมะของพระอริยเจ้านะอยู่ในสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติชอบชนเหล่านั้นชื่อว่าอยู่ใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำไมนะคนที่ฉลาดในธรรมะของพระริยาเจ้าถามว่าธรรมะของพระริยเจ้าเนี่ต่างด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างคําว่าต่างก็คือบาลีใช้ว่าประเภทอนะมีประเภทเท่าไหร่ถ้าธรรมะของพระริยเจ้าอ่า น, นะอ่า น, นะก็แบ่งออกเป็นก็อริยสัจนั่นแหละนะถ้าจะว่าไปอริยสัจทั้งหมดเนี่ยนะควรบรรลุควรตรัสรู้เขาเรียกว่าอภินัญยธรรมควรรู้ยิ่งหมดเลยถ้าทุกขสัจนี้เป็นอะไรปริญญาธรรมใช่ไหม ถ้าสมุทัยศัตร์เป็นปหาตปธรรมถ้านิโรธศัตร์เป็นสัชิกาตัปธรรมถ้ามรรคศาสต์ก็อยู่ในพาเวตัปธรรมนะทีนี้ในทุกศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในปริญญาธรรมเนี่ยนะแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างทุกศาสตร์นะทุกศาสตร์ก็คือขันอายตนะธาตุขันอายตนะธาตุนี่เป็นทุกศาสตร์อินทรีย์บางส่วน อินทรีบางส่วนอินทรีที่เป็นโลกิยะเป็นทุกขสัต์ปฏิจจสมุบาทฝ่ายสมุทัยวาระอันนี้ก็อยู่ในฝั่ฝ่ายแห่งทุกขสัต์และสมุทัยสัตว์นะแต่ส่วนที่เป็นปัจยุบันนี่เป็นทุกขสัต์ส่วนที่เป็นปัจจัยนั่นแหละเป็นสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นทุกขสัต์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อบุคคลรอบรู้ฉลาดมีความเข้าใจเป็นอย่างดี อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าโดยประเภทแห่งทุ ก, ท, ก ท, ทุกขสมุทัยทุกขานิโรธและก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาที่เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะโดยทั่วๆไปเราจะใช้คําว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคปดแต่ที่จริงแล้วมีเท่านั้นหรือเท่านั้นใช่ไหมก็โพธิปักษิยธรรมนะทั้งหมดนั่นแหละโพธิปักษิยธรรมทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในธรรมะ ที่ต้องอบรมต้องเจริญผู้ที่ฉลาดในธรรมะทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าอยู่ใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าคำว่าคำแนะนำมาจากบาลีว่าไงคำแนะนำนี่นะแค่ไหนจึงเรียกว่าคำแนะนำดูที่ว่าจะแปลแล้วมันจะเข้าเข้าล็อกหรือเปล่านนคำแนะนำนี้แค่ไหนโอวาด พระคุณเจ้าบอกว่าโอวาทแล้วคนอื่นว่าไงคําแนะนําอ่ะ น, นะวินีโตเนี่ยนะมาจากวินไนนั่นนะมาจากบาลีว่าแ น, นา่นัยก็เราว่าผู้มีวินัยของพระริเจ้านั่นเองอ น, นะคําว่าคําแนะนําในที่นี้เนี่ยเป็นชื่อของวินยัยอ่ะ น, นะเป็นชื่อของวินยัยวินัยนี่มีกี่อย่างวินัยมีกี่อย่างอ่ะวินัยนี้มีสองอย่างเนาะคือ ถ้าในสติปัฏฐานมีวินัยสองนัวินัยยะโลเกอภิชาโทมณนสาตรงนั้นเนี่ยตะทางขาวินัยกับวิขัมพนะวินัยอะนะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยนะวินัยสองสองคือสังวรวินัยกับปะหานวินัยผู้ที่มีสังวรวินัยผู้ที่มีอ่ะปะหานวินัยของพระอริยเจ้านะบุคคลเหล่านี้พระองค์ก็อยู่ใกล้สังวรวินัยมีเท่าไหร่สังวรห้าปะหานวินัยมีห้า สังวรห้าคือหนึ่งสีลสังวรเ น, นี่ยนะสองสติสังวรสามญาณสังวรสี่วิริยะสังวรห้า ข, ขันติสังวรเ น, นี่ยนะสังวรห้านี่แหละผู้ที่มีสังวรห้านี่แหละเรียกว่ามีวินัยของพระอริยะหรือว่ามีปหานาวินยัยปหานาวินัยก็มีห้าอย่างอันหนึ่งก็ตะทางขววินยัยสอง วิขำพนะเนี่ยนะสามสมุตเฉทะสี่ปฏิปสัสสติห้านิสรณะเนี่ยนะนผู้ที่มีสังวรห้ามีปหานะห้าบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าอ่านะเห็นธรรมะของพระอาริยเจ้านี่หมายถึงว่าธรรมะอะไรล่ะที่ทําให้เป็นพระอาริยเจ้าธรรมะอะไรทําให้เป็นพระอาริยเจ้า ธรรมะที่ทําให้เป็นพระริยเจ้าคือพระริยเจ้ารู้อะไรท่านจึงจะเป็นพระริยารู้อริยสัจเนี่ยนะก็ต่างโดยทุกเป็นต้นถ้าทุกเนี่ยนะพระริยเจ้าเห็นทุกเนี่ยเห็นยังไงอทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระริยเจ้าเห็นทุกเป็นยังไงทุกเอ้อเห็นเจ็บปวดใช่ไหมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเหตุเกิดอะไรทุกทุกอย่างเลี้ยวแบบไล่ไปถึงจนเลยจบเลยมจันแค่ไหนเอาจบเลยอ่ะ อท่านรู้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ทุกขสัตว์ถามว่าความจริงของทุกขสัตว์เป็นยังไงความจริงของทุกขสัตว์คือไม่เที่ยงเนี่ยนะอันนี้คือความจริงของเขาความจริงของทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นทุกความจริงของทุกขสัตว์เนี่ยเป็นอนัตตาความจริงของทุกขสัตว์ถ้าเป็นรูปประคันที่เรียกว่าไม่งามเนี่ยนะนั่นแหละคือท่านเห็นความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเน่่ยนะ อถามว่าถ้าเห็นอสุภาษเนี่ยนะถามว่ายังอยู่ในตรายักษ์ไหมออพิจารณาโดยของปฏิกรูเนี่ยอยู่ตรายักษ์ไหม <I know S 1> นี่ไม่ไม่ถามหมอหมอก็ตอบได้แห ล, ล ะ, ะคนอื่นนะถ้าเห็นโดยความเป็นอสุภาษณ์นะ เ, ออเห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยยังอยู่ในประเภทตรายักษณ์ไหมยอยู่ไหมคุณลุงอยู่แพ่นน่ะ <c oughs> อันนี้จังไ อ, อตรลักษ์มีสมนะหนึ่งอันนี้จังสองทุกขังสามอนัตตา ถ้าเห็นโดยอสุภายูสามไหนหนึ่งในสามเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนนอันนี้ให้กอขอคอนั้นเนี่ยให้สามเลยอ่ะอันนี้จังคนที่พิจารณาเลยครัอันนั้ น, น, น, นถ้าอสุภาษเนี่ยเป็นบริวารของทุกนะเนี่ยเป็นเป็นไวยพจน์หรือเป็นคําอธิบายอีกชื่อหนึ่งของทุกขนั่นเองอันนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเป็นอีกคําหนึ่งของทุกขนั่นเองนะก็อธิบายคําว่าทุกก็เอาอสุภาษมาอธิบาย น, นะเช่นหรือเอาโรคเอาฝีเป็นต้นมาที่บายก็คือที่บายคำว่าทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นธรรมะของพระอริยะเนี่ยนะเห็นทุกขาสต ร, ร์โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์นะโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็โดยเป็นอสุภะเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุตุชนทั้งหลายผู้ถือเอาโดยอาการที่วิปริตเนี่ยนะทีนี้ไม่เที่ยงนี้หมายคำว่ายังไงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะ เพราะอะไรอานนะไม่เที่ยงคือขยับเถนะใช่ไหมเพราะอาจถาว่าสิ้นไปคือถ้าขึ้นเชื่อว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะที่สุดของเขาคือสิ้นไปเนี่ยนะไอ้สิ่งที่สิ้นไปนั่นแหละมันเป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะสำนวนว่ามันสิ้นไปแบบซ้ำซ้ำซากซากอ่ะนะสมมุติว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายซ้ำซซากซกแบบเนี้ยถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นทุกข์ สมมตินะอย่างลมหายใจธรรมดาถ้าไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่เที่ยงแหละว่างั้นแต่ทีนี้ถามว่าถ้าหายใจเนี่ยนะถ้าตัวเลขถ้าเกิดมาหายใจสักสิบล้านครั้งนะสมมตินะสิบล้านครั้งถามว่าแต่ถ้าตัวเลขขนาดจํานวนเท่าเนี้ยถามว่ามันน่ากลัวไหมซ้ําๆซักๆเป็นล้านๆครั้งเนี่ยนะมันก็แต่ว่าเป็นหน้าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะ ทีนี้ถ้าตายเกิดตายเกิดเนี่ยไม่เที่ยงก็จริงอะนะแต่ละชาติตายแล้วเกิดอแต่ละชาติก็ตายอะ่ะเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ถ้าจํานวนพบชาติที่ตายเกิดอย่างน้ําตามมากกับเท่ากับน้ําทะเลในมหาสมุทรเนี่ยนะถามว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําว่าทุกท่านเลยให้อัตถาว่าพยัพเถนะเชื่อว่าทุกพะน่ากลัวฟังกันนะพยัพเถนะพยะอะ น, นะ เพราะอาถะว่าภัยอ่ะภัยนี่แปลว่าน่ากลัวเพราะเนื่องว่ามันจํานวนปริมาณเนี่ยมันมากเหลือเกินสมมุติว่าเออชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะอิริยาบถก็คือยืนเดินนัง่งนอนยืนเดินนัง่งนอนชีวิตมีแค่อิริยาบถสเท่านี้แหละนะมีใครตีลังกามั้งเพราะฉะนั้นก็อยู่แค่ยืนเดินนัง่งนอนทีนี้ถ้ายืนเดินนัง่งนอนเนี่ยเคยคิดไหมถ้าอย่างอย่างผู้การเนี่ยนะเอาตัวเลขที่เดินมาเนี่ยแต่ละก้าวนี้ ผู้การนี่คิดว่าจะเดินได้สักกี่ร้อยกิโลแล้วตั้งแต่เกิดเลยนะเฉะพาะ อ, อิยิปต์เดินอย่างเดียวรอบโลก ข, ขอมาเนี่ยคิดคิดไปโดยเฉลี่ยเนี่ยนะเดินเฉพาะเดินธรรมด า, าเนี่ยเกือบวันละเกือบสิบกิโลนะนะเกือบสิบกิโลเนี่ยนะก็คูณเดือนเข้าไปคูณปีเข้าไปเนี่ยนะถ้าคูณหลายหลายสิบปีเข้าเนี่ยควรจะเดินกี่กิโลเมตร ถามว่าไอตัวเลข ท, ที่จะต้องเดินขนาดนี้เท้าว่ามันสนุกไหมล่ะคือปกตินะฮะถ้าเราเดินเนี่ยเดินธรรมดาธรรมดาไม่เร่ง ไ, ไม่ไม่ช้าเกินไปเนี่ยเดินบนบ้านอ่ะออกจากห้องนอนเข้าห้องน้าจากห้องน้ําเข้าครัวจากครัวมาน้ตขึ้นลถมาอ่า ป, ป, ประมาณอประมาณชั่วโมงละสี่ห้ากิโลเมตรหรือสามสี่อะไรประมาณสี่กิโลเมตรนะชั่วโมงแล้วเราเดินเนี่ยนานกี่ <c oughs> วันละกี่ชมม <c oughs> ั่วโมงก็เดินมาละ ก็เดินมากี่ปีแล้วอ่ะแล้วก็เดินทุกวันแล้วก็เดินทุกวันเว้นไว้แต่เดินไม่ไหวทีนี้ถามว่าเออแล้วที่เดินนี่คุณไม่ได้เดินชาติเดียวนะไม่ใช่เพิ่งเดินชาตินี้อาชาติก่อนก่อนกอนก่อนอตัวเลขการเดินขนาดเนี่ยถามมาชอบไหมไม่ชอบน่าจะเมื่อยนะเอานี้อาหารเนี่ยนะที่เรารับประทานเข้าไปนี่อร่อยกันทุกมื้อเนี่ยโอ้โหทานเมื่อไหร่อร่อยแต่ว่าแต่ละมื้อแต่ละมื้อทีนี้ว่าชาตินี้ทานไปกี่มื้อแล้ว แล้วต้องจํานวนล้างจานก็จํานวนเกือบจะเท่านั้นนะนะเว้นแม้แต่เข้าร้านอาหารแล้วไอ้ที่อาหารที่รับประทานไม่ใช่ของชาตินี้ชาติเดียวอันนั้นชาติอดีตอดีอดีตถ้ายังตายเกิดอีกอย่างนี้ต้องทานไปอีกนานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตัวเลขมหาศาลขนาดเนี่ยถามว่าน่ากลัวขนาดไหนมันไม่เที่ยงอ่ะแต่ว่ามันจํานวนขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าทุกขังเนี่ยนะความเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวเหมือนกัน หรือไก่หมดไปหลายล่าแล้วคนๆห้องน้ำเต็มไปหลายครั้งเลยนะหมูก็เป็นรลอาๆ <c oughs> <c oughs> ปลานับไม่ทวนเลย <c oughs> ปลานับไม่วัดไม่ไหวอันน้ทีนี้ถามว่าโอไอแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันก็มันก็หมดไปในสิ่งนั้นนั้นแล้วจำนวนมาหาศาลขนาดนี้ก็น่ากลัวซึ่ง ใครไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่าเนี้เพราะมันเป็นไปตามปัจจัยแบบนั้นแบบนั้นถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมมีอัตตาอยู่ในนั้นไหมก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ที่อย่างเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านั้นถามว่าจริงๆแล้วมีสาระไหมสมมุติว่าโอ้โหการรับประทานอาหารนะถ้าดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าธรรมดานี่อู้นี่สาระมากชีวิตเนี่ยนะอยู่เพื่อกินเนี่ยนะ หรือว่าเออมีอยู่มีกินเนี่ยดีแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้มีตินนี่แหละแต่ทีนี้ถ้าเรารับบอกว่าโอ้โหทานมาแล้วเป็นหมื่นครั้งเนี่ยนะทานมาแล้วเป็นหมื่นหมื่นครั้งอะ่ะเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยดูไม่มีสาระอะไรเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะสารกัตเทนะเนี่ยสำคัญแต่ละมือมหาม่ด้วยหยาดเหงื่อทั้นั้น ไม่มีใครครับที่ได้มาสบายสบายครับ <_ C ist ee> ไม่มีครับใช่อย่างน้อยเราก็ต้องเดินไปก <_ C ist ee> ็ อ, <_ C ist ee> อาหารที่เราได้เนี่ยนะก็คือได้จากกายกรรมและวจีกรรมเพราะว่ากายกรรมและวจีกรรมนั่นแหละคืออาชีพใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้มาปัจจัยสี่ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากกายกรรมและวจีกรรมสมมติถ้าหากว่าเอาเหงื่อมันจะออกเนี่ยนะไม่มีกายกรรมวจีกรรมเลยเหงื่อผมจะแตกไหมละ่ะมันก็ไม่ได้ก็มาจาก ก, กายะสันเจตนาก็มาจาก ว่าจีสันเจตนาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่การประกอบอาชีพเพื่อให้ได้สิ่งเหล่าเนี้เป็นเจตนากรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้รับประทานหนึ่งมือทํากรรมมาขนาดไหนเนี่ยนะทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมเนี่ยนะเพื่อวัตตะต่อไปเนี่ยนะแล้วกรรมนี่ก็มันไม่มีจบมีสิ้นอยู่แล้วถ้าสํารอกอวิชชาตานหาไม่ได้เนี่ยนะกรรมยังไงก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาอะนะเขาอยู่ที่ทำมากนะเพราะฉะนั้น ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นทุกข์ขสัตว์นี่จึงไม่ดีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะแต่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาหรือไม่ได้กําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ก็เข้าใจกลับกันซะเนี่ยนะเข้าใจกลับกันทั้งๆ้งที่มันสิ้นไปก็เข้าใจว่ามันเที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เข้าใจว่ามันเป็นสุขมันเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระก็ไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้มีสาระเนี่ยนะก็เข้าใจในตรงกันข้าม พอเข้าใจในตรงงานข้ามแบบนี้แล้วนะที่มาของทิฐิหกสิสองเดี๋ยนะพอเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ดีจริงเป็นต้นเนี่ยนะไปสําคัญมั่นหมายก็ทิฏฐิหกสิบสองก็จะเข้ามาเนี่ยนะทิฏฐิหกสิบสองเข้ามาแล้วก็เฝ้าวัตตะต่อไปเนี่ยนะก็ย้นวนอยู่อย่างนี้แหละนะจากพบน้อยสู่พบน้อยนานๆจะไปพบใหญ่สักทีหนึ่งเหมือนกันเลยไปพบใหญ่ก็ไปไม่นานอ่ะนะตำแหน่งสูงๆมันอยู่ไม่ค่อยนานใช่ไหมลงมาอีกแล้วนะ นี้ก็ต้องเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าคือทุกขศาสต ร, ร์นะทุกขศาสตร์ก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกแป้นาตาถ้าสมุทยัยศาสตร์เนี่ยนะเห็นอย่างไรจึงจะได้ระดับเป็นพระอริยเจ้าได้สมุทัยศาสตร์นี้ควรจะเห็นแค่ไหนจึงจะเป็นพระอริยะได้สมุทยัยศาสตร์นี้แปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์นะ เ, เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เห็นแค่ไหนจึงจะละได้สมุทยัยเนี่ย อาเจียนเลยนะเขาบอกว่าเห็นเหมือนหลุมฐานเพลิงอ่ะเนี่นก็เทระคถาท่านบอกว่าสมมตินะถ้าถ้าท่านเห็นอารมณ์ที่หน้าป่าถนาเกิดขึ้นเนี่ยนะท่านจะบอกว่าบ่วงแห่งมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักเอาไว้เนี่ยนะก็คือเห็นสมุทัยศาสตร์เนี่ยเหมือนหลุมฐานเพลิงอ่ะนะ จึงจะละได้แต่ถ้าหากว่ายังเห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปก็เข้าไปสนุกอนะนะเหมือนกับแมลงเม่าทั้งหลายถ้าควร เ, เข้าไปสนุกนะถ้าอย่างนี้ก็หมายสมุรทรยศัตร์นี่ก็ดูยังเป็นมิตรกันอีกนอน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเห็นตันหาเหมือนกับหลุมฐานเพลิงว่างั้นนะนะนะจึงจะสา ม, มอดละตันหาได้นะนะถึงตอนนี้เราจะชอบมันอยู่ก็ช่างแต่สมาทานเอาไว้ก่อนนะมันไม่มีควันครับมันไม่ร้อน อถ้ามันร้อนมันก็พังเลยแต่ถ้ามันไม่ร้อนมัน ก, ก็เย็นยไปเทปเอาอยู่แล้วสายมันร้อนจนเข้าเนื้อเข้าตับเข้าไตาหมดเลยจนมัน<ช>นึก<ช>ไม่ออกว่าเย็นนี่มันเป็นยังไง<ช>ไม่มีควันด้วยโดดก็ไปเขาจึงบอกว่าราคัคคินาโทสคินาโมหคินาเนี่ยนะไอ้ไฟอันนี้เนี่ยเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีควันด้วยแต่มันสมอยู่นานอะ่ะนะคือถ้าถ้าลองกุศลจิตเกิดมากๆแล้วอกุศลมาเกิดเข้าแวบหนึ่งนั่นนะจึงจะรู้ว่ามันร้อน แต่ถ้ากุศลไม่เคยเกิดเลยนะแล้วอยู่อย่างงี้ไปไม่ร้อนจริงๆพวกแถว่ามามียมอยู่คนหนึ่งนะเขาเขาเดินอากาศสี่ิบองศาไม่ใส่เสื้อเลยนะสี่สิบองศาเมษายนเนี่ยไม่ใส่เสื้อเลยเขาเขาบอกก็ธรรมดานะเขก็อยู่อย่างงี้มาตั้งหลายสิบปีแล้วก็อยู่ห้องเขาได้อะสี่สิบองศาเนี่ยกลางแก้งเลยนะถ้าดูข้างนอกก็ออกไปเนี่ยเหมือนกับเปลวเพลิงระยิบระยิบระยิบ ถอดเสื้อเดินได้สบายๆเลยนะถามว่าเขาร้อนไหมเข้าอยู่ได้อย่างนั้นเนี่ยก็เข้าอยู่อย่างนั้นมาตั้งน้ำนานแล้วนะแต่ให้ชาวเมืองไปอยู่อย่างนั้นสักห้านาทีเดียวหนึ่งเดือดร้อนแน่อย่างๆไอ้พื้นปูนซีเมนเนี่ยนะร้อนๆเนี่ยนะคนไม่เกิดไม่เคยถอดรองเท้าเนี่ยมันเดินไม่ได้หรอกอะนะแต่คู่ที่ไม่ใสร่รองเท้ามาจนชินเนี่ยเดินได้นะพื้นราดยางที่มันร้อนๆเนี่ยเดินได้ พอถ้าเดินนานๆเข้าเนี่ยมันจะลอกของมันเองเลยนะระวังเนื้อกันไอ้หนังที่มันแห้งมันจะลอกกันเองเนะี่ยเขาก็เดินได้ถามว่าทำไมเขาจึงเดินได้เอามันชินไงมันอยู่มานมนานฉันไหนก็ดีสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในวัตทุกก็ลักษณะนั้นอยู่กับของร้อนเนี่ยมหาศาลก็อยู่ได้เนี่ยนะโรงงานบางแห่งเนี่ยนะอากาศเนี่ยร้อนประมาณ40่สบองศาเนี่ยคนงานก็ทํางานอยู่กันต่อไปได้เนี่ยนะสบายๆด้วยหัวเราะขำไปสนุกไปอนเี่ ว่ามันชินฉันใดราค่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในในอัธยาสายของศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อชินก็เป็นลักษณะนั้นแต่ผู้ที่เรียนรู้โทษของสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่าเนี้มันร้อนจริงๆนะไฟคือราค่าเป็นต้นเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันไม่ได้ร้อนแค่มันตอนมันเกิดอย่างเดียวนะแล้วผลของสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอีกล่ะนะผลพวงของสิ่งเหล่านี้คือวัฏฏทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละ ดังถ้าจะเห็นธรรมะของพระอริยะก็ต้องเห็นสมุทัยศัตว์เหมือนกับลุมฐานเพลิงถ้าเห็นนิโรธศัสตร์ไม่ควรจะเห็นแค่ไหนกับถ้าพูดบอกว่าเห็นสมุทัยศัตร์เนี่ยนะเหมือนความหิวความกระหายเห็นนิโรธศัตว์นี่เหมือนกับความอิ่มความสดชื่นน่ยนะต้องเห็นอันน่ารื่นรมทีนี้ถ้าเห็นมรรคมา แ, แสงตสง์อะ ก็เหมือนกับบันไดเข้าไปสู่ความเย็นนั้นเนี่ยนะเป็นหนทางที่เข้าให้ถึงความสงบระงับความเย็นทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นธรรมะของพระอาริยเจ้าก็คือเห็นอริยศาสตร์เนี่ยนะแต่ก็ต้อง เ, อเห็นในที่นี้ไม่ใช่เห็นเออนี่รู้แล้วทุกทุกขสมัมภูรไทยไม่พอต้องรู้กิจของเขาด้วยเนี่ยนะคือรู้กิจของอริยศาสตร์เพราะจะเป็นพระอาริยเนี่ยนะอริยสาวกกับผู้ที่ไม่ใช่สาวกต่างกันตรงไหนทั้งทั้งที่ได้ยินเหมือนกันเลย ได้ยินอริยสัจเหมือนกันถามว่าสองคนนี้ต่างกันตรงไห น, นอันนี้ว่าเอาตรางี้นะของเราเนี่ยยังสมมุตินะผู้เอาผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นสาวกนะถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่ชื่อว่าสาวกต้องระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้ถามว่าสองคนเนี่ยซึ่งฟังอริยสัจเหมือนกันเนี่ยแตกต่างกันตรงไหน เขาบอกว่าต่างการตรงที่ว่าได้ยินเหมือนกันแต่พระอริยาสาวกท่านทากิจทำทำกิจแล้วถ้าทากิจระดับโสดาปติมัคเป็นต้นไปแล้วแต่ปุถุชนทั่วๆไปยังไม่ได้ทากิจเลยของเราไม่ใช่สาวกก็จริงแต่เป็นพุทธามกะธรรมามะกะสังฆม า, มามก ะ, รรมม ก, ะก็าบอกคนนับถือพระรัตนตรายแต่ยังเรียกว่ายังไม่ได้บรรลุถึงคุณของพระรัตนตรายจริงๆเนี่ยนะ ถ้าจะบรรลุถึงคุณของพระรัตนะตรายจริงๆต้องแทงตลอดระดับโสดาปติมภ์เป็นต้นไปเนี่ยนะจึงจะเข้าถึงคุณอันเป็นโลกุตระจริงๆนะเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ที่คุณที่เป็นโลกุตระอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เหลือถึงได้ฟังอริยสัจก็ไม่ชื่อว่าสาวกเนื่องจากไม่ได้ทํากิจของอริยสัจ น, น, นั้นเลย ค, ลคิดว่าจะทำำํำคิดว่าจะทบ นี่นถ้าเป็นดีนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคำว่าจะแปลว่ากําลังทําอยู่เเจนพอแต่ถ้าพระไทยนี่แสดงว่าอนาคตต่อไปจะทำมั้งนั้นแต่ถ้าถ้าไทยเนี่ยถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยพวิสติแปล ว, ว่าจักจักหมายคําว่าข้างหน้านะแต่ถ้าเป็นออยู่ย่อมจะเนี่ยนะอยู่ย่อมจะจะตัวนี้แปลว่ากําลังทําอยู่จักทําต่อไป กำหนดวันเดือนตีนอย่างนั้นะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบนะก็ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะถามว่าสัมมาปฏิบัตินีแค่ไหนก็อยู่ในศีขาทั้งสามประการนั่นแหละเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาศีลคืออะไรทบทวนนะทบทวนศีลคืออะไร อ น, นนนอนนศีลคือศีลละ น, นะนะศีลละเพราะอัฏฐาว่าสมาทานะกับอุปทานะเนี่ยนะทีนี้ว่าอะไรคือศีลไหนอันนั้นเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวงรศีลและอาบีติกมามาศีลอัตของศีลก็ศีลละนั่นแหละนะคือสมาทานะหมายคำว่าตั้งมั่นเนี่ยนะ ควบคุมทางกายวาจาไม่ลม่วงละเมิดกระจัดกระจายด้วยบาปอากุศลทั้งหลายอุปธารณะก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงศีลมีอะไรเป็นกิจกิจของศีลเป็นยังไงหน้าที่ของศีลกําจัดความทุศีนเห็นไหมกําจัดโทษคือความทุศีลทางกายทางวาจาและทางใจะนะศีลเนี่ยถึงพร้อมไนดะ้ยังไงถึงพร้อมด้วย ธรรมะที่ไม่มีโทษนั่นเองนะไม่เกลื่อนกลนไปด้วยโทษนี่นแหละเป็นกิจของเขาทําลายความทุศีลถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยนะเป็นสัมปติรดของเขาแล้วศีลมีอะไรเป็นอาการปรากฏจะรู้ได้ยังไงว่ามีศีลหรือไม่มีศีล อ, อะไรเป็นเครื่องปรากฏความสะอาดเนี่ยนะโสกายโสจายวจีโสจายเป็นต้นน่ยนะสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นต้นนี้บอกเพ่งว่าศีลดีแล้วศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ ฮิริโอตะ ป, ปะเนี่ยนะฮิรินนี้ปรารบภายในโอตะ ป, ปะปราลบภายนอกเป็นเหตุให้รักษาศีลเนี่ยนะศีลที่รักษาดีแล้วเนี่ยนะเือซึ่งแบ่งประเภทเป็นจารีศีลวารีตศีลเป็นจตุ ป, ปาริสุที่ศีนเป็นต้นเนี่ยศีลเหล่านี้นำมาซึ่งอะไรถ้ารักษาศีลเหล่านี้ดีนำมาซึ่ ง, อ, อ, งอ่านนะอาวิปปติสารเป็นต้นถ้าจะมุ่งสิกขาชั้นสูงนะ เพื่ออาวิปปิสารแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปศีลย่อมนำมาซึ่งชื่อเสียงเป็นต้นนะนะศีลย่อมนำมาซึ่งโภกระทรศีลอย่อมนำมาซึ่งสุกติโลกสวรรค์อันนั้นก็อีกในหนึ่งซึ่งยังไม่ประสงค์ในที่นี้นะอันนี้จุดประสงค์ว่าถ้าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าวังนั้นเด็กพูดแบบเอาคนจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ก็เพื่อความไม่เดือดร้อนใจอั น, น, นที่ต้องมารักษาให้อุยต้องขนาดนั้นเรียนรู้ขนาดนี้เป็นต้น เพื่อไม่ต้องเดือดร้อนใจอีกเนี่ยนะไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะกายกรรมวจีกรรมและอาชีพอันนั้นไอความไม่เดือดร้อนใจอันนั้นแหละเป็นอาหารของปราโมดปราโมดเป็นอาหารของปีติปีติเป็นอาหารของปสัสสัตทิปสทัสสัตทิเป็นอาหารของสุขสุขเป็นอาหารของสมาธิเนี่ยนะสมถะทั้งหลายก็สา ม, มารถเจริญได้สมถะที่บุคคลเจริญอย่างถูกต้องหรือที่เรียกว่าสมาธินั้นระงับนิวรณธรรม ศีลทั้งหลายที่เจริญไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นการละนิวรณ์แบบตะทางค่าประหารเนี่ยนะเป็นการละแบบตทางค่าประหารละบาปอากุศลแบบตะทางค่าประหารแต่ถ้าเจริญสมถะซึ่งมีศีลเหล่านี้เป็นบาทเป็นการละนิวรณ์ทั้งหลายโดยวิคขำพนะประหารเนี่ยนะด้วยการข่มไว้ทีนี้ถ้าได้ทั้งโดยตะทางค่าประหารวิคขำพนะประหารคนเหล่านี้ ปัญญาไม่อ่อนกำลังเลยนะปัญญาไม่ทุรพนและปัญญาจะมีกำลังเพราะไม่มีนิวกลุ่มรุมคนที่นิวรลุ่มรุมนั้นปัญญาไม่มีกำลังเหนัันปัญญาไม่ค่อยมีความสามารถเนื่องจากนิวรเนี่ยกางกั้นไว้ทีนี้พอนิว์ไม่กลุ่มรุมก็เอาปัญญานี่แหละมาทาปริญญากิจเนี่ยนะทำยาตะปริญญาทำตีระนปริญญาแล้วก็ทำปหานะปริญญาเนี่ยนะพอปหานะปริญญาเนี่ยนะ ในชั้นปะหาหนะเนี่ยไอ้กุศลที่ประมวลไว้ตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้ามาหมดเลยเนะคือทั้งศีลสิกขาจิตตสิกขาไปประมวลกันในขณะสมุดเฉทถปะหานเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะถ้าไม่ได้อาทิศีลอธิจิตเข้ามาผนวกด้วยตัดกิเลสเป็นสมุดเฉทไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยอธิศีลและอาธิจิตนั่นแหละเป็นบาทซึ่งเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยที่เกิดก็มาเป็นสัมปายุตตะปัจจัยในขณะมักก็ปะหาน กิเลสได้ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นไปตามศีกขาสามเหล่านี้นี่แหละก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าจะเอาสิ่งเหล่านี้มาจําแนกโดยพยัญชนะทั้งหลายที่จะทําให้เข้าใจอัฏฐะของศีลสมาธิและปัญญาได้ดีพยัญชนะที่พระองค์ตรัสไว้ในวินัยนั่นแหละโดยมักเป็นเป็นเรื่องของศีละนะันธทั้งหมดเลยนะันเ เป็นเรื่องของศีลแะสมาทานะอุปธารณะที่เรียกเป็นอัถาของศีลแต่ถ้าพระสุตันตปิฎกเน้นขยายสมาธิเนี่ยนะหรือโม่เน้นที่สมถะถ้าพิธรรมปิฎกเนี่ยมากไปด้วยมากไปด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าในปิฎกทั้งสามนี่ยนะเช่นวินายปิฎกไม่มีสมถะวิปัสนาไม่ใช่ไม่มีนะมีสุตตันตปิฎกก็มีสมถะวิปัสนาด้วยมีศีลด้วยแต่ก็มากไปด้วยสมถะ อภิธรรมปีดกก็มากไปด้วยวิปัสนาแต่ก็มีศีลอยู่ด้วยนะอภิธรรมปีดกไม่ใช่ไม่มีศีลนะไปดูในโดยเฉพาะสิกขาบทวิพังเนี่ยนะสิกขาปฎาวิพัง์ในคมภีวิพังเนี่ยนะอันนี้ขยายเรื่องศีลหมดเลยนะขยายศีลอย่างละเอียดเลยว่าอะไรคือองค์ธรรมได้แก่ศีลศีลคืออะไรเนี่ยนะเอามาจําแนกแจกแจงโดยจิตเจตสิกโดยอารมณ์เนี่ยเอามาขยายอย่างละเอียดเลยนะในในสิกขาบทวิพังค์ เพราะฉะนั้นในปิดกสามเนี่ยนะถ้าวินัยปิดกมากไปด้วยศีลสุตตันตปิดกมากไปด้วยสมถะอภิธรรมปิดกมากไปด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้ในวินัยปิดกอย่างเดียวเนี่ยนะก็พ้นทุกได้เขาจะได้ส่วนแห่งวิชาสามก็สามารถพ้นทุกได้วิชาที่สามเป็นอาสวัคยญาณเนี่ยนะทำกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยนะทีนี้นถ้าผู้ที่รอบรู้ในพระสุตตันตปีดกก็จะมาก จะได้คุณธรรมคืออภิญญาหกในอภิญญา6เนี่ยนะข้อสุดท้ายก็เป็นการแทงตลอดอริยสัจหรือผู้ที่แตกฉานอภิธรรมปิดกก็จะได้ส่วนแห่งปฏิสัมพิทาสอันนั้นก็คือการแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นขอให้เรารู้จริงในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะตามเหมาะสมหรือตามสมควรแก่โลกุตระธรรมพระพุทธเจ้าก็อยู่ใกล้กับ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นก็อยู่ใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราการปฏิบัติทำที่ถูกต้องนะจะต้องมีใจสิกขาเนี่ยควบคู่กันไปตลอดดูไหมครับเพราะว่าศาสนาพรหมจันทร์เนี่ยนะพรหมจันทร์เนี่ยนะที่ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอาธธาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าประกาศพรหมจันทร์ ทีนี้เราทั้งหลายมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นะพระพูเทอเจ้าประกาศพรหมจรรย์เห้ยเราเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีร พ, พระภาคพรหมจรรย์ น, นี้เป็นชื่อของอะไราคุณนภ า, าจําได้ละมีเท่าไหร่น้ำมันมีสองหนึ่งศาสนาพรหมจรรย์กับสองมรรคมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์ได้แก่ศาสนาพรหมจรรย์ได้แก่สิษขาสาม อันนะมัคคพรมอาจารย์ก็ตรงตัวอันนะอริยมรรคอยู่แล้วศาสนพรหมอาจารย์เป็นชื่อของศิกขาสามเราทั้งหลายมาประพฤติศาสนพรหมอาจารย์เพื่อมัคคพรมอาจารย์เนี่ยนะเพื่อปฐานะปฐานะตัวนั้นแหละเป็นชื่อของอริยมรรคเป็นต้นเพราะฉะนั้นประพฤติสิกขาสามของภาษาสดาเพื่ออริยมรรคเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อเบื่อนายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเนี่ยนะเป็นไปเพื่อปรินิพาน นะธรรมะเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประกาศเราก็มาประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมคือการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติจบเราก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรอย่างนั้นเป็นบุตรที่เกิดจากอกคือธรรมะของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเลย แต่เราบอกว่าเราบรรลุมรรคผลก็อาจจะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็ได้นะอาจจะคนละ ง, งานกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่จริงแล้วเขาห่างไปตั้งนมนานแล้วนะก็ได้แต่ชื่อไปจะเห็นว่าถ้าเราจะมองดูทางเดินที่เราจะไปสู่การปฏิบัติธรรมเั่นสูงคือการจริยศิษยปัตฐาเนี่ยต่ำสุดคือเริ่มตั้งแต่การฟังเนี่ยแสดงว่ากัลยาณมิตรเราหรือว่าสัตบุรุษเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้แสดงทั้งสามที่ขาด เริ่มต้นต้องแสดงทั้งสามทิศ ก, ก็ต้องเรียนอยู่แล้วให้เตนวาสิกให้อันเตนวาสิกหมายความว่าให้พวกนักเรียนเนี่ยจะได้จะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าขึ้นสุดตรงอย่างเดียวก็สุตตามายายานเนี่ยนะสุตามายายานเนี่ยขยายหมดเลยคือคือคำว่าฟังนี่แค่ไหนก็คือฟังปิดกสามนั่นเองก็เรียนรู้อริยศาสตร์ทั้งสี่เพราะว่าจุดมุ่งหมายที่สุดเนี่ยนะการฟังธรรมก็เพื่อพ้นจากวัตทุกข์อย่างว่าเนี่ยนะทุกข์สัตว์มีอยู่แล้วอเกิดมาขันห้าก็มีกันทุกคน ทุกศาสตร์มีอยู่แล้วสมุทยัยใครไม่มีมั่งอันนะถ้าใครไม่มีสมุทัยเลยไม่ต้องมาเรียนอ น, นะัไม่ทําไม่มีสมุทัยศัตร์เลยนะไม่ต้องศึกษาแล้วธรรมะอ น, นะัเพราะอะไรเพราะว่าคุณเข้าถึงธรรมะแล้วอันนะถ้าไม่มีสมุทัยศัสตร์นะทีนี้เอานี่รอดก็เป็นสภาวะที่เย็นอ่ะนะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์กับสมุทยัยก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอริยศัตร์จริงๆอ่ะต้องทำส่วนไหนกันแนะ่ที่ต้องประพฤติน่ะนะ ก็คือในส่วนของมักกะสัตทุกษัตริย์ไม่ต้องผมขนเล็บมีอยู่แล้วฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะคู่รูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนักขันก็มีอยู่แล้วเห็นและชอบเลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วชังเลยเห็นแล้วก็ไม่ใคร่ครวญเลยอันนี้สมุทัยศัสตร์ก็สั่งสมอยู่แล้วแต่ชีวิตที่เป็นไปกับทุกข์และสมุทัยอย่างนี้แหละที่มันขึ้นขึ้ น, นลงๆเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมทํายังไงจึงจะตัดวัตตะอันนี้ได้อ่า น, น, นะคุณคุณต้องมาประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติ พรหมจรรย์ที่เป็นศีลพรหมจรรย์ที่เป็นสมถะพรหมจรรย์ที่เป็นวิปัสนาถ้าพรหมจรรย์เหล่านี้บริบูรณ์นี่เรียกว่าอาริยมรรคทีนี้พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นาศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์นี้ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อ ม, ม, มทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วเพราะฉะนั้นเอกท้อยความที่เป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าสอนไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเธอไม่ต้องไปเที่ยวค้นคิดเอาเองมังงั้นไม่ต้อง ก็เชื่อว่าพุทธสุโภธิตาใช่ไหมสาธุความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ดีจริงๆอันนะถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะดีจริงๆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงๆพ้นทุกข์แล้วเราก็เลยยอมรับนับถือว่าพระองค์นี้เป็นสารณะถ้าธรรมของพระองค์นี้เป็นสารณะมูสาวกของพระองค์นั้นเป็นสารณะเนี่ยนะถ้าสาวกก็เป็นสารณะในฐานะเป็นนาบุญแต่ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นของพระศาสดาเนี่ยนะ อนี่ก็มาถึงขั้นที่ว่าสัตว์บุรุษหรือว่าย่อทั้งสัตว์บุรุษคือท่านพระสมมาตพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทั้งไตรสิกขาแล้วแล้วเราก็ได้ฟังผู้ฟังก็ฟังไตรสิกขาแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็จําจําทั้งไตรสิกขาถูกไครับเมื่อจําได้แล้วก็มาถึงขั้นโยนิโสมารสิการโ ย, โยนิโสมารสิการก็หมายความว่าต้องโยนิโสมารสิการเป็นคือเทียำว่าไตรสิกขาทํำยังไงสิกขาสามจึงจักบริบูรณ์ในจิตเราเนี่ยนะ ออย่างสมมุติว่าพูดถึงเวะละปานาติบาตเว้นจากปานาติบาตเป็นชื่อของกุศลธรรมทำยังไงกุศลธรรมเนี่ยเกิดในจิตเราเกิดในภายในซะพระองค์บอกว่านี้เป็นเมตตานะเป็นสมถะเนี่ยนะนี้เป็นเมตตาเป็นกายคตาสติทำยังไงเมื่อเราฟังกายคตาสติไอ้คุณธรรมนั้นอยู่ในในจิตของเรานะถ้าพูดถึงว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนกับคนเอาเพชรมาวางให้ดูนะแล้วก็ อธิบายให้ฟังว่าเออนี่เครื่องประดับอันนี้นะดีอยังงั้นยังั้นยังงันเ อ, อ๊ะทำไงเราจะไปส่วนเหี้เจ้าของไอรัตนะเหล่านี้บ้างนะก็ไอการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รัตนะอันนี้มีอยู่ในจิตใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะทีนี้ทํำยังไงอ่ะรัตนะคือสติประญานจึงจะเกิดในจิตรัตนาคือสัมมาประญานอิทิบาทอินทรีย์พละพ่อชงจึงจะเกิดในจิตได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการทําคําสอนเหล่านั้นให้มี อยู่ในจิตในใจเนี่ยนะทำให้เป็นของของอันนะ่ะเรียกว่าเป็นผู้รับมรดกของพระพุทธเจ้าจริงจริงเหนันเถอะครับก็มีหนึ่งขั้นที่หนึ่งคือมีผู้แสดงไตรสิกขาแล้วเราก็ฟังแล้วก็จําได้ไตรสิกขาแล้วก็เกิดศรัทธาในไตรสิกขาแล้วก็โยนนิสโวมัสิการในไตรสิกขาเป็นแล้วต่อมานี่ก็ขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็ต้องในไตส ร, สรสิกขารป่าก็สติสัมปชัญญะ ส, สติเนี่ยนะเป็นสิกขาประเภทสมถะ น, นะก็ยังอยู่สติเนี่ยนะอยู่ประเภทอธิจิตตสิกขาสัพชัญญะเนี่ยนะเป็นประเภทปัญญาสิกขาเนี่ยนะก็ยังอยู่ในสิกขาสติสัมปัญญะนี่ให้เป็นไปเวลาไหนเป็นไปเวลามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในทวารทั้งหกให้เป็นไปกับส ม, มถะและวิปัสสนาเนี่ยนะที <พา S 1> นี้ถ้าเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อรับเห็นเนี่ยนะ พูดออกมาว่าจีก็จะเป็นสุจริตเพราะจิตนั้นเป็นไปกับสติสัมปชัญญะอยู่แล้วเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาอยู่แล้วพอขันอินทรียสังวรก็ต้องไต่สิกขาเหมือนกันเจริญพรก็บอกว่าอินทรีย์สังวรนี้สําเร็จด้วยอะไรอินทรียสังวรสาเร็จด้วยสติสัมปชัญญะสำเร็จด้วยสติสติที่ว่าคือสติอะไรสติสัมปชัญญะอ่าเป็นยังไงอ๋อบัพภะเจ็ดเลยนะใช่อ่าพระมหากัจยนะท่านบอกว่า จเจริญกายคตาสตินะคนที่มีกายคตาสติเมื่อมองเห็นนั่นแหละเรียกว่าคนมีอินทรีย์สังวรคนไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะ น, นะก็จะไหลไปในรูปที่น่าเพลิดเพลินก็จะชังในรูปที่ไม่น่าเพลิดเพลินเป็นต้นแต่คนที่มีกายคตาสติกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดเน่ะเขาจะไม่ไปชังหรือจะไม่ไปชอบแต่รอบรู้อารมณ์นั้นอย่างจริงๆ รอบรู้ยังไง ร, รอบรู้อารมณ์นั้นพร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอศาศทะอาทีนวะและนิสรณะจะเปลื้องจิตออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเปลื้องจิตให้ไม่มีอุปาทานในอารมณ์นั้นได้ยังไงอนะอุปาทานมีเท่าไหร่อุปาทานมีสี่ประการหนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐุปาทาน 3, าสศีลพัตุปาทานสุดท้ายอัตตวาทุ ป, ปาทาน เรียนรู้อุปท า, านเหล่านี้ให้ดีกันก่อนแต่ในชั้นการละเริ่มต้นละอั ต, ตวาทุปาทานก่อนนะเนี่ยนะพิจารณาให้เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความที่เรียกว่าไม่ใช่สัตว์เป็นต้นหรือไม่ใช่อัตต า, าการที่ไม่เห็นโดยความเป็นอัตตาเนี่ยให้เห็นเป็นอะไรล่ะถ้าเกี่ยวข้องกับกายก็ให้เห็นเป็นรูปปัจขันเนี่ยนะเออนี่เป็นรูปนะแล้วรูปเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยมหาพูดและอุปาทายรูปมหาพูดคือ ธาตุดินน้ําลมไฟแล้วมหาพูดที่เป็นดินน้ําลมไฟส่วนไหนในร่างกายนี้ชัดผมกนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนะส่วนนี้เป็นมหาพูดชัดที่เป็นปฐวีชัดเหมือนกันเถอะเขาเป็นหลักแล้วอโป่แหละก่อน้นําเลือดน้ําเหลืองน้าดีน้ำเสเลดน้ำหนองน้ํามันข้นอันนี้กลุ่มธาตุน้ําลมพัดขึ้นเบื้องบ น, บนพัดลงเบื้องตามพัดทั่วสารพางกายเป็นต้นอันนี้เป็นกลุ่มธาตุลมไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นอันนี้คือธาตุไฟอันนะ แล้วอุปาทายรูปทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นความใสของมหาภูตรูปบางอย่างเรียกวตาเรียกว่าต า, ก, ตาก็มหาพูดนั่นแหละนะใสไม่ใช่อย่างอื่นใสเลยนะเพราะมหาพูดเป็นนิสยาปัจจัยแก่จักขู่ภาษาทะเป็นสหชาติปัจจัยด้วยซ้ำไปเป็นอธิปัจจัยด้วยเป็นอวิคตะปัจจัยของจักขู่ภาษาทะเพราะฉะนั้นความใสของมหาภูตารูปบางอย่างเรียกจักขู่ความใสาบางอย่างเรียกว่า โสตะความสายบางอย่างเรียกคานะคำสายบางอย่างเรียกว่าชิวหาความสายบางอย่างเรียกว่าก า, ายบางอย่าง เ, าางางเนี่ยนะทำให้เรียกว่ามหาพูดนั่นแหละเป็นนิสยะให้แก่หทายะเป็นที่อาศัยของมนโนธาตุและมนโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้นเนี่ยนะมหาพูดบางอย่างที่เกิดจากกรรมมานั่นแหละเป็นที่อาศัยให้อิถีภาวะเกิดปุริสภ า, าวะเกิดสีของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่ารูปารม์นะส่วนที่กระทบได้ทางโสตประสาทของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่า สัทธารมก็กลิ่นของมหาพูทนั่นแหละเรียกว่าคันธารมใครผ่าสีออกจากจากธาตุดินได้ไหมแยกออกไม่ได้เพราะเป็นอวิณิพกครูปอยู่แล้วแต่ว่าออวินิพกครูปแปดเนื้อรูปที่เป็นประธานมีสี่รูปที่อาศัยมีสี่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปที่อาศัยเนี่ยเขาไปอาศายัยเฉยๆ อ้าก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้พอวิเคราะห์มาจนที่เรียกว่าเออเหลือแต่มหาพูดกับอุปาทายรูปถามว่าในนั้นมีใครไหมไม่มีใครก็คือมีแต่มหาพูดและอุปาทายรูปแต่มีบางท่านเข้าใจผิดอีกว่าอันนี้ถูกมีคนสร้างขึ้นมานะอันนี้พวกนี้เขาเรียกว่ามีทิฐิที่ไม่สม่ำเสมอมีผู้สร้างนะไอ้มหาพูดอ่ะวพราะงั้นเถอวิเคราะห์ไปแล้วมันมีแต่ภูตรูปและอุปาทายรูปอัตวาตรงนี้ไม่มีละแต่อันนี้มีผู้สร้างนะ ยังไปเข้าใจผิดแบบนั้นอีกก็มาพิจารณาอะไรจรึงจะละไอ้รัที่ว่าผู้สร้างรัที่ว่าผู้สร้างนั่นแหละคือกลุ่มทิถาาท่ถุกปาทานทิ่ถุกปาทานก็คือรัที่ว่ามีผู้สร้างจะ ต, ต้องเห็นอะไรก็ทิ่ทีไม่สม่ำเสมอสําคัญว่ามหาพูดและอุปาทายรูปเราได้มีผู้สร้างอันที่จริงเป็นอย่างนั้นไหมมหาพูดนี่เกิดจากอะไร จะน่าเกิดจากสมุทฐานสี่โอ้โหตอบอยัง <c oughs> อันนะมหาพูดและอุปาทายรูปเกิดจากสมุทฐานสี่ประการใช่ไหมกรรมจิตอุตุและอาหารเพราะฉะนั้นจะถามว่าเออผู้สร้างมหาพูดอะ่ะคือบางอย่างกรรมบางอย่างจิตบางอย่างอุตุและบางอย่างอาหารเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยกรรมเช่นมหาพูดเนี่ยนะมีผมขนเล็บเหมือนกันหมดเลยแต่ทําไมหนะ้าตาเหมืนเหมือนกันสันกคนเลยนะ อันนี้แหละส่วนหนึ่งที่ว่ากรรมสร้างสารรค์เนี่ยทาให้แตกต่างกันแม้กระทั่งอายุมากอายุน้อยก็ในส่วนของกรรมอ่ะนะว่าใครถ้าใครจุติก่อนก็เกิดก่อนงนะั้นเถอะใครจุติหลังก็เกิดหลังลักษณะเนี่ยนะเมื่อกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกโยนไปให้กรรมหมดเลยลักขี้กรรมเก่าหมดนะใครจะอ้วนจะผอมจะสูงจะต่าจะดําจะเขากรรมหมดเลยถูกไห ม, ไมใ ช, ใช่เพราะว่าวันก่อนสนทนากันเนี่ยนะ กรรมเนี่ยเหมือนกับคนสั่งแกไปสร้างโรงงานตรงนั้นนะไปหาวัสดุเอาเองแต่ชั้นเป็นคนกําหนดโครงสร้างให้ไง <c oughs> อกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดมาแต่ต้องไปหาข้าวสุกเองนะไปหาขนมโสดเองไม่หาดื่มเนื้อเออดื่มน้ํานมดื่มกินน้ํากินข้าวกินปลากินอะไรตามเรื่องนะแต่โครงสร้างทั้งหมดฉันกําหนดให้อัะนนะักรรมเป็นตัวกําหนดรูปแบบแบบฟอร์มของร่างกายโครงสร้างส่วนหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะ แต่ว่าวัตถุเนี่ยแกต้องไปหาเองเพราะฉะนั้นส่วนของอาหารชรูปไปหาเองผัสอาหารชรูปจะบอกเกิดจากกรรมไม่ได้ถ้าเกิดจากกรรมอย่างเดียวนะั้นแม่อุตส่าห์เลี้ยงมนาะตั้งเจริญเติบโตเนี่ยนะแม่ก็ไม่มีบุญกุลดิไม่ใช่เพราะแม่ก็ส่วนหนึ่งก็จากแม่เนี่ยนะมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดอาศัยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะต้องอบต้องอาบต้องนวดต้องฟันกันอยู่เป็นนิดก็เจริญเติบโตกันมาด้วยอาการอย่างนี้ก็อาศัยอาหารชรูปอาศัย เมื่อกี้พูดถึงกรรมมาชื้อและอาหารชรื้ออาหารเชรูปเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากมารดาส่วนหนึ่งมาจากบิดาเป็นต้นมาช่วยกันบำรุงเลี้ยงดูแล้วอีกส่วนหนึ่งล่ะคือจิตตะชรูปใช่ไหมสภาพจิตของเราด้วยสภาพจิตด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออุตูชื้อรคอะนะอุตูชื้อรซึ่งแปรมาจากกรรมชรูปแปรมาจากอุตูเชรูปเป็นต้นนั่นแหละ ถ้าแปลมาจากกรรมเฉลิรเรียกว่ากรรมปัจจะยอุตุชฉลิมถ้าแปลมาจากจิตเฉลิมเรียกว่าจิตตปัจจะยอุตูเฉลิถ้ามาจากอุตูเรียกว่าลมอุตุปัจจะยอุตูชรลปเนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนี้สมุทฐานสีก็ดําเนินมาเรื่อยอ่ะนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีผู้ใดเป็นผู้สร้างเมื่อกี้บอกว่ากรรมใช่ไหมเป็นผู้สร้างกรรมคืออะไรเจตนาแล้วเจตนานี่มีกี่ทวารที่ทําให้ทํากรรม สามทวาพรพันเจตนาบางอย่างเปออะบางคนเนี่ยเกิดเพราะกายกรรมนําเกิดบางคนเนี่ยเกิดเพราะวจีกรรมนําเกิดบางคนเนี่ยเพราะมนโนกรรมนําเกิดนั้นเจตนาทางกายวาจาและใจในอดีตอย่งางใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นตัวนําเกิดเอาแล้วทําไมจึงทํากรร ม, ล, มล่ะเกิลใช่เพราะมีกิเลสเนาะใช่เพราะอุปาทานนั่นแหละ เพราะมีการมูปาทานที่ถูปาทานสีระพตูปาทานอัตาวาทูปาทานนี่แหละจึงทากรรมเอาแล้วทําไมจึงมีอุปาทานอ่ะทําไมจึงมีอุปาทานก็เพราะมีตันหาเอาแล้วทําไมต้องมีตันหาด้วยอ่ะอ่านะพะมีเวทนาเอาแล้วทําไมต้องมีเวทนาเอาก็มีสัมผัสในทวารหกอยู่อ่ะเอาแล้วทําไมต้องมีสัมผัสทวารเอาก็ยังมีตาเพราะมีเขายังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอ่ะยังมีใจอยู่นะ ถ้ายังมีใจอยู่จะไม่ให้จะไม่ให้มีภาษาได้ยังไงอ่ะมีตาอยู่จะไม่ให้มีภาษาได้ยังไงมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอย่างนี้ก็ต้องมีภาษาอยู่แล้วทีนี้ภาษาเสียถ้ามีภาษะไม่ให้มีเวทนาได้ไหมเวทนาเป็นสัมปยุตตปัจจัยแก่ภาษะถ้ามีภาษะต้องมีเวทนาอะนนถ้าอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขไปอารมณ์ไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยเป็นทุกข์ไปถ้าอารมณ์ธรรมดามัชชะต์ทั่วไปก็เป็นอุเบกขา นนะทีนี้ถ้าหากว่าอารมณ์ประเภทดีๆเนี่ยนะอ า, อารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นสุขเวทนาไม่ให้มีโลภะได้ไหมป mm hmm. กติแล้วถ้าคนที่ไม่มีสิกขาสามเนี่ยนะไม่ให้มีโลภะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีศิกขาสามไม่ได้ปัจจัยที่ว่าไม่ได้จักสีเลยไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนมาเป็นต้นเลยโดยมากจะเป็นโลภะเมื่อได้รับผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง สุขถ้าได้รับภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ล่ะก็โทสะเนี่ยนะถ้าอารมณ์ทั่วไปก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นถึงอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะก่อให้เกิดโทสะโทสมีเพื่ออะไรก็เพื่อโลภะอีกนั่นแหละถามว่าทาไมจึงมีโทสะเพราะมันไม่ถูกใจอ่ะมันก็จะเอาอีกอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นได้รับทุกข์แล้วจึงสแสวงหาสุขปุถุชนในโลกนี้เนี่ยนะ เมื่อได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่บำบัดความทุกข์ของเขาอาจจะมีอะไรนอกจากกรรมมาสุขเพราะฉะนั้นก็เลยสแสวงหากรมใหม่เนี่ยนะแสวงหาสิ่งที่น่าปรารถนาต่อไปเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดโทสะตรงๆแต่โทสะอันนั้นก็เนื่องจากสิเนหาด้วยอํานาจของตันหาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาก็เลยเป็นปัจจัยแก่ตันหา ถึงอุเบกขาเวทนาเนี่ยนะที่เฉยเนื่องจากไม่ค่อยสมความปรารถนาแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่แค่นั้นใช่ไหมถ้าจะไปเห็นอะไรที่ไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเลยเห็นก็ธรรมดาทั่วๆไปถามว่ายินดีอยู่เท่านั้นไหมถ้ายินดีก็เป็นตันหาอีกนั่นแหละถ้าอยากได้ดีกว่านี้ก็ตันหาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งสาจึงเป็นปัจจัยจึงมีตันหาถ้าตันหาเกิดไม่ให้ยึดได้ไหมตันหาก็เป็นกาอ่ากามุปาทานอยู่แล้วตันหาก็เป็น เกิดร่วมกับที่ทิที่ทิก็เป็นที่ถูกปาทานศีลพบัตถุปาทานและก็อัตวาทุปาทานเมื่อมีอุปาทานอย่างนี้ให้มานิ่งๆได้ไหมไม่ได้ก็พูดอย่างนี้แหละเป็นวจีกรรมไปขยับเ<ม>ยื่อไกาวาจาเนี่ยนะก็เป็นกายกรรมไปไม่พูดไม่จาเลยทำเป็นครึ้มอันนั้นก็มโนกรรมไปเอา <c oughs> ก็ยังมีตัณหามีอุปาทานไม่ให้เป็นกรรมได้ยังไงจะเปลี่ยนไปเป็นกิริยาไม่ได้เพราะฉะนั้น กรรมอันนี้นี่แหละจึงเป็นปัจจัยจึงมีรูปที่ว่าไปที่เรียกว่าพบนะมีรูปพื้นมหาภูตรูปและอุปาทายรูปอ่านะนี่มีมหาพูดก็เพื่อให้มีตายอีกอะไรอ่านะมีมหาพูดก็เพื่อมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วมีสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรอีกก็เพื่อเห็นเพื่อได้ยินอีกเห็นได้ยินก็ภาษาเวทนาตันหาอุปาทานก็หมุนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกษัตริย์กับสมุทัยษัตร์ก็เป็นไปอยู่อย่างนี้ การจำแนกแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้นี่นะคือรูปคือมหาพูดและอุปาทายรูปการแยกแยะอย่างนี้เท่ากับปฏิเสธอัตตวาทุปาทาน น, นะไม่มีอัตาราหรอกนะมีแต่พูดตรูปและอุปาทายรูปทีนี้แต่ก็ไม่มีที่ถูกปาทานนะเพราะว่าลัทธิบางลัทธิถือว่ามหาพูดและอุปาทายรูปเราเนี่ยมีผู้สร้างนะอันนี้ไม่ใช่นะเกิดจากปัจจัย ทีนี้ไอ้บางลทัทธิเขาบอกไม่ใช่มันเกิดลอยๆของมันเองอย่างนั้นผมนี่เกิดมาก็รูปลอหรือรูปไมย่ยอรอเองอันนั้นโดยอัตโนมัติไม่ได้บินบุนเบ้นบาปอะไรพวกนี้ก็เป็นอเหติตกะวาทะเป็นวาทะที่ไม่มีเหตุซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะนะรูปประคัทั้งหมดเหล่านี้ทั้งมหาพูดและอุปาทายรูปมีเหตุนะมีเหตุเนี่ยนะคือกรรมเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุของมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนที่รอบรู้ปัจจัยของมหาพูดเหล่านี้ละทิฏฐ ป, ปาทาน ลัทธิตุปาทานในชั้นต้นประเภทอเหตุกะวาทะก่อนคือบางพวกเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเหตุอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะเข้าใจเหตุไม่สม่ำเสมอว่าสิ่งสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้มีผู้สร้างอันที่จริงแนละ้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมเป็นต้นที่เรียกว่ากายกรรมเป็นต้นนั่นเองอันนะทีนี้มหาภูตรูปเหล่านี้เนี่ยนะเพิ่งมีอยู่ตอนนี้ใช่ไหม มาเพิ่งมาเนี่ยมาเพิ่งมานั่งเพิ่งมามีมหาภูตรูปเนี่ยนะเป็นไปกับยืนเดินนั่งนอนเพิ่งเท่านี้ใช่ไหมก็ย้อนหลังไปอีกไปจนถึงปฏิสนธิหละแล้วก่อนปฏิสนธิเนี่ยนะมหาภูตรูปก่อนหน้านั้นมีอีกไหมมีถ้ามหาภูตรูปตอนนี้เกิดด้วยปัจจัยอย่างไรมหาภูตรูปก่อนก่อนหน้านั้นก็เกิดจากปัจจัยแบบนั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นในอดีตที่เคยมีมหาภูตรูปเนี่ยนะ ถึงเคยเกิดเป็นพบใดก็ช่างเถอะในกรรมมาพบยังไงก็มีมหาพูดเมื่อมีมหาพูดก็ต้องมาจากกรรมก็เกิดจากปัจจัยอีกเหมือนเดิมนี่แหละเพราะฉะนั้นมหาพูดในอดีตก็เกิดจากปัจจัยเหมือนมหาพูดตอนนี้นี่แหละอ่านะแล้วมหาพูดก็จะดำเนินไปเรื่อยเื่อเนื่องจากปัจจัยก็เป็นไปเรื่อยๆ่อยรื่ร่ยรือย่างนี้ทีนี้อ่าเพราะที่เรียกว่าเพราะกรรมมี ปฏิสนธิวิญญาณมีนามรูปสลายตรนะนัเป็นไปอย่างนี้นะแล้วก็ทํากรรมไปอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆเพราะฉะนั้นเขาเรียกอย่างนี้ว่าสมุทยาวาระเป็นไปตามนี้แหละคนที่รอบรู้อย่างนี้ละทิฐิประเภทอุดเฉททิฐิได้เนี่ยนะละอุดเฉททิฐิและละอหิตุกะวาระได้ถ้ารอบรู้พร้อมทั้งปัจจัยเหล่านี้อันนี้ก็ละอะไรอุปาทานทิท่ถูกปาทานทีท่ถูกปาทานนี่มีหลายชั้น ทีนี้ต่อไปถ้ารู้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้มหาภูตรูปอันนี้เนี่ยนะมันจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปไหมเนี่ยนะคือสัตว์ทั้งหมดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่สามารถออกไปได้เลยเนี่ยนะเข้าใจแบบนี้ไหมว่าจะต้องจมอยู่ในมหาภูตรูปดักดานไปอย่าไปคิดหาทางออกเลยไม่มีทางออกหรอกอยู่อย่างนี้แหละตายเกิดตายเกิดอยู่ต่อไปเนี่ยนะถามว like ่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมเที่ยงอย่างนี้ตลอดไปไหมมีทางออกไหมล่ะ เป็นยังไงทางออกอ่ะนะเอาเลยโหย้อนกลับมาหาเรื่องฟังตามเดิมเลยนะอุตสาห์พาไว้ตั้งสูงอ่ยนะก็นี่ไงจึงมาสมัครงานเนี่ยนะแย่เลยอ่นะเนื่องจากว่าเออปัจจัยเหล่าเนี้ยที่ทําให้ดําเนินไปเนี่ยมันดําเนินไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมเออมหาภูรูปทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นไปในภพทั้งหลายเหล่านี้เนื่องมันจะเกิดจากปัจจัยปัจจัยที่ทําให้เกิดเมื่อกี้บอกว่ากรรมใช่ไหม เอาแล้วทำไมจึงทํากรรมล่ะก็เพราะยังมีตันหานี่นะก็เนื่องจากตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงทํากรรมนั่นนะเอ้ถ้าหากว่าตันหาดับเลยนะกรรมมันก็ดับถ้ากรรมดับตันหาดับมหาภูต ร, รูปก็ต้องไม่เป็นไปนะมหาภูต ร, รูปเหล่านี้ก็ต้องไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเอ่อถ้ารู้ว่าโอ้เนี่ยปัจจัยสิ่งนี้นะเพื่อดับอวิชชาดับตันหา มหาภูตารูปในวัตตะก็ไม่เป็นไปเนี่ยนะไอาการรู้อย่างนี้เนี่ยละที่ถูกปาทานอีกประเภทหนึ่งที่ถูกปาทานประเภทสัสตติธิก็จะถูกละไปเมื่อรู้ว่าเออถ้าสิ่งนี้ดับปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ดับแต่ยังเหลืออุ ป, ปาทานอีกข้อหนึ่งคือศีละพัตตุปาทานเนี่ยนะบางคนนี่รอบรู้ขนาดนี้ก็นึกว่าฮาบรรลุไปแล้วอันที่จริงยังเพราะยังศีละพัตตุ ป, ปาทานยังละไม่ได้ ทีนี้ศีละพระตูปารทานเนี่ยจะละได้ยังไงสิ่งที่กล่าวไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะเขาเรียกว่ายะถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริงเท่านั้นเองเนี ย, ยังไม่ได้พูดถึงว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อนายอะไรสักอย่างเลยเนียสิ่งที่ว่าไปเนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเองคือรู้เห็นวิเคราะห์แยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้พร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่าเหตุเกิดและความดับ น, นะยังไม่ได้พูดถึงว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้เลยถามว่าถ้าจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากสิ่งเหล่าเนี้ยทําอย่างไรเมื่อกี้เราพูดในหัวข้อว่ามหาพูดใช่ไหมมหาพูดถ้าจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากมหาพูดต้องรู้มหาพูดพร้อมทั้งเหตุเกิดและความดับเนี่ยนะเมื่อกี้ว่าไปหมดแล้วภูมิทั้งหมดที่กล่าวไปไเมื่อกี้เรียกว่า ยะถาภูตญานทัศนะทีนี้มหาพูดเนี่ยมีอัศธาไม่ถ้าไม่มีอัาธะคงไม่มีใครเพลิดเพลินในมหาพูดเหล่านี้หรอกเพราะมหาพูดเหล่านี้ก่อให้เกิดสุขและอะไรก่อให้เกิดสุขและสมนัตินะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมหาพูดนี่นะทีนี้นี่คืออัสาธาของมหาพูดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้อัศธา ท, ที่ไปเพลิดเพลินในมหาพูดเหล่านี้นี่แหละคือต้นต่อเพื่อให้มีมหาพูดอันต่อไป ทีนี้ทําไงอ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเธอเจริญสติสัมโพชงนะเจริญสติเนี่ยแล้วปฏินะเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะเนี่ยนะน้อมไปเพื่อการสละมหาพูดนะนะน้อมไปเพื่อสละการยึดถือในมหาพูทเจริญธรรมวิจยะเจริญวิริยะเจริญสติหรือเจริญโพชฌงเจริญองค์มรรคเนี่ยนะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาเนี่ยเจริญวิปัสนา ตามเห็นมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้โดยความไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ไปสำคัญผิดว่ามันเที่ยงนะเจริญเห็นมหาพูดเหล่านี้ที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรนะ <t> เพราะมันสิ้นไปเมื่อกี้ก่อนก้นเลยที่บอกว่ า, ามันสิ้นไปนี่มันสิ้นไปยังไงมหาพูดบางอย่างก็ออกมาในรูปแบบผมขนเล็บบางอย่างก็ออกมาในรูปแบบของยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งหมดมันก็สิ้นไปแล้วในภพนั้นๆน น, น, น, นั่นแหละ อันนี้แหละเรียกว่าสิ้นไปไออาการที่มันสิ้นไปแต่จํานวนที่สิ้นไปนี่มันมหาศารขนาดนี้เนี่ยนะถามว่ามันสุกไหมนะอันนั้นแหละเป็นทุกข์เพราะทั้งหมดที่ว่าไปนี่เป็นของที่น่ากลัวอย่างที่ว่านะถ้ามหาพูดคือกองกระดูดเฉยๆเนี่ยนะถ้าเก็บกองกระดูดของคนคนเดียวไว้กลับหนึ่งก็ใหญ่กว่าเขาเวปุระบรนพศเหมืงนกันเพราะฉะนั้นโหไอมหาพูดอันนี้จํานวนมหาสารขนาดนี้จริงน่ากลัวถ้ายัง ตัดเชื้อตัดเยื่อใยในมหาพูดเหล่านี้ไม่ได้มหาพูดต้องกองอีกนานเหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้ทําให้ปาชารกอีกนานในรกป่าช้าเดือดร้อนอีกเดือดร้อนสับปเปลเลยกันต้นนะทำให้ป่าชารกต่อไปอีกนานแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากไปตามเพลิดเพลินเพรา ะ, ะถ้าไม่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เห็นโดยความเป็นทุกข์และเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระเลยนะก็เบื่อหน่ายใน มหาพูธทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเบื่อไนก็คลายกําหนัดในมหาพูธเมื่อคลายกําหนัดก็เบื่อไนก็คลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดก็หลุดพ้นเนี่ยนะหลุดพ้นจากมหาภูตรูปผู้ที่หลุดพ้นจากมหาภูตรูปอย่างเด็ดขาดเลยน ะ, ะคือใคร <c oughs> ผ้านาคามีเนี่ยนะถ้าไม่ได้รูปประชานก็ยังไม่พ้นเนี่ยนะ เพราะยังยังเกิดในภพที่มีมหาพูดต่อไปอีกพระนาคามียังยังยังมีภพอยู่เนะี่ยภพที่มีมหาพูดสุทาวาสยังมีมหาพูดอยู่ต้องพาหันเนี่ยนะจึงกับพ้นจากภูต ร, รูปอย่างเด็ดขาดเป็นสมุเดเฉดอันนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใครไปตามหาว่าตอนเนี้ยพระมหาพูดของพระ อ, องค์อยู่ที่ไหนมหาพูดที่ก่อให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันบุคคลจะตามหาร่องรอยของพระพุทธเจ้าไม่พบเนี่ยนะ ขีนางบุรณะ น, งนางนวังนัที่สัำภังวิรัติจิตายติเกเรนนะพู้พูดถึงว่ามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งไงไหมที่ที่เอามาจุดประทีบิณิเตนะจุดแล้วก็ไม่พร้อมทั้งน้ามันเป็นต้นเนี่ยไม่จนหมดเชื้อเลยถามหาว่าไฟอันนี้มันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนบุคคลก็หาคติแห่งไฟไม่พบใช่ไหว่าไฟเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะไม่ได้ฉันได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นบุคคลก็ ตามหาไม่ได้พันถ้าอริยะทั้งหลายที่ดับขันทัปปรินิพานก็เหมือนกับไฟกองโตโตเนี่ยนะที่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้ น, นแล้วก็ใส่เชื้อไปจนหมดเมื่อหมดเชื้อเนี่ยนะไฟก็ดับเมื่อไฟดับก็ไม่รู้ตามหากติแห่งไฟไม่พบของเราพูดอย่างนี้ได้มั้งอะนะไปก่ออีกตรงไหนเนาะไปก่อผิดที่ ก, ก่อติดๆดั บ, ดบๆเนี่ยนะมาฟืนยังสดและเกินเลยนะ ก็ต้องอาศัยการทำไงก็ต้องอาศัยการอ บ, บรมอย่างที่ว่านี่นะถ้าไม่มีการอ บ, บรมไม่มีการปฏิบัติชอบก็ยากถ้าไม่มีการปฏิบัติชอบนะเราก็ห่างพระห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนนะแต่ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะเจริญ ง, งอกงามในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นก็อยู่ใกล้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ในส่วนอื่นก็คงเป็นภาคบ่ายมาต่อยกนัน